บทที่68หลวงพ่อเดิมมรณะภาพคุณมาอยู่วัดน้องโพนานเท่รไรแล้วหลวงพ่อเดิมถามพระเจริญขณะที่ ภิกษุหนุ่มทำหน้าที่นวดเฟ้นให้ท่านห้าเดือนครึ่งแล้วครับหลวงพ่ออีก15้าวันก็ครบหกเดือนภิกษุผู้มาจากต่างถิ่นตอบและไดเรียนวิชาอะไรบ้างฉันหมายถึงว่าตั้งแต่คุณมาอยู่ที่วัดนี้ได้อะไรจากฉันบ้างแทนคําตอบพระหนุ่มกลับถามว่าวันนี้หลวงพ่อมาแปลกเกิดอะไรขึ้นเลอครับ ตอบคำถามฉันมาก่อนอย่าทลายภิกษุชาราพูดจริงจังก็วิชาคาถาอาคมต่างๆตำราพิชัยสงครามแล้วก็คาถาทำให้ผู้หญิงรักครับแต่ผมไม่ทราบว่าคาถาผู้หญิงที่หลวงพ่อให้นักจะครั้งแค่ไหนตั้งแต่ทดลองกับพวกสาวๆนครสวรรค์แล้วถูกเข้าด่าก็เลยไม่กล้าทดลองอีก ท่านตอบตามตรงเอาละเอาละเรื่องนั้นไม่สำคัญเท่ากับเรื่องที่ฉันกําลังจะบอกคุณฟังให้ดีนะฉันยังไม่เคยบอกใครมาก่อนคุณเป็นคนแรกและก็คนสุดท้ายที่จะรู้แล้วก็ให้เก็บไว้เป็นความลับอย่าแพร่งพลายให้ใครรู้เป็นอันขาดถ้าเช่นนั้นหลวงพ่ออย่าบอกผมเลยครับผมมันคนปากโป้อง เก็บความลับไม่ค่อยได้บอกเ네นนเวลเรีกว่าบอกคนอื่นไม่ได้นอกจากคุณคนเดียวเถ่านั้นหลวงพ่อเดิมพูดเสียงหนักแน่นเ네นนเวลไม่ใช่คนอื่นนะครับเป็นเลนชายหลวงพ่อผู้อ่อนไวกว่าแยงเอาละเอาละอย่ามัวพูดแล้วหลายไรสาระฉันเคยพูดหลายครั้งแล้วไม่ใช่หรือ ว่าคุณเป็นคนที่ฉันเลือกสรรแล้วเพื่อจะถ่ายทอดวิชาทุกอย่างให้เพราะฉะนั้นก็จงตั้งใจฟังให้ดีครับผมจะตั้งใจฟังหลวงพ่อพูดได้เลยครับหลวงพ่อเดิมถอนหายใจเบาๆแล้วก็พูดด้วยเสียงปกติว่าอีกสิบห้าวันฉันจะละสังขารพูดจบ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 ฉันพูดคำไหนก็ต้องเป็นคำนั้นถ้าเลวไหลเลาะแะก็เหมือนไม้หลักปักเลนใครเขาจะนับถือคุณจำไว้นะคนที่พูดไม่อยู่กับปองกับรอยนะ่ะใช่ไม่ได้ถ้าเป็นชายก็เป็นชายใหม่จริงถ้าเป็นหญิงก็เป็นผู้หญิงใหม่แท้ต้องเป็นชายจริงหญิงแท้ถึงจะเป็นคนแก่ที่น่าบูชา ภิกษุสูงวัยถือโอกาสสอนสั่งผมยังไม่แก่ครับยังหนุมแน่นหล่อเราคนฟังพาเฉยออกนอกเรื่องหากภิกษุชรากลับดึงเข้ามาในเรื่องด้วยการสอนว่าอย่าหลงรูปนักเลยคุณทำวัดสวดมนต์อยู่ทุกวันไม่ใช่หรือว่ารูปังอนิจจัง รูปไม่เที่ยงรู ป, ปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนอย่าสักแต่ว่าสวดคร่องปากจะต้องนำมาใช้ให้ได้ด้วยคนดีแต่พูดนั้ น, นมีอยู่เกลื่อนกลาดส่วนคนพูดจริงทําจริงเนี่ยหายากเอาละเลิกพูดเรื่องเล้วไหลเสียทีฉันกำลังจะบอกว่าฉันมอบวิชาอย่างหนึ่งให้คุณ คาถาเรียกพระเข้าตัวใช่ไหมครับถามอย่างตื่นเต้นเพราะหลวงตาอุ้ยมาคุยให้ฟังว่าคนที่มีคาถาเรียกพระเข้าตัวได้จะกลายเป็นผู้วิเศษสามารถทำอะไรอะไรที่คนธรรมดาสามัญทำไม่ได้หลวงพ่อเดิมจึงพูดอย่างรู้ทันว่าคุณไปฟังตาอุ้ยมาน่ะสิขอเตือนว่าอย่าไปเชื่อตาอุ้ยแกนักเลย ตาคนเนี่ยเชื่อได้ไม่ถึงร้อยละสิบกระมังถ้าคุณอยากได้คาถาเรียกพระเข้าตัวนะไม่ยากแต่ตำรับของฉันกับของตาอุ้ยไม่เหมือนกันหรอกนะของฉันหนักของแท้ส่วนของตาอุ้ยเป็นของปลอมคุณอยากได้ของแท้หรือของปลอมล่ะของแท้ครับใครบ้างอยากได้ของปลอมประโยคหลังพูดเหมือนบ่น ถ้าของแท้แล้วก็ไม่ยากไม่ต้องใช้คาถาด้วยเพราะคาถาเรียกพระเข้าตัวน่ะไม่มีหรอกมีแต่ทำตัวให้เป็นพระเสิเองสิกขาบท2องยข้อถ้ารักษาไม่ขาดตกบกพร่องก็เป็นพระได้ไม่ต้องไปเอาพระข้างนอกมาเข้าตัวแต่ว่าทำตัวเองให้เป็นพระดีกว่าแล้วก็ง่ายกว่าด้วยจำเอาไว้ นี่คือวิชาที่หลวงพ่อมอบให้ผมใช่ไหมครับถามเนื่อยๆความตื่นเต้นเมื่อครู่หดหายไปไม่ใช่หรอกที่ฉันจะให้คุณนะมีอีกแบบหนึง่งมีคนมาขอจากฉันนับร้อยรายทั้งพระทั้งคารวาะแต่ฉันไม่ให้เพราะไม่มีใครเหมาะสมที่จะได้เรียนวิชานี้ นอกจากคุณวิชาอะไรครับดูเหมือนความตื่นเต้นจะกลับคืนมาอีกครั้งวิชาคดชศาสตร์พระเจริรู้สึกผิดหวังรีบปฏิเสธว่าพอไม่เอาครับหลวงพ่อไม่อยากได้หลวงพ่อเดิมเปลี่ยนจากท่านอนสบายๆมาเป็นลุกนั่งตัวตรงประกายตาแวววาว ที่มองมายังพระหนุ่มดูมีอำนาจลึ ก, กลับจนอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกร้อนร้อนเนาวหนาวท่านยกมือขึ้นช้าช้านิ้วเหยียวย่นชี้มาที่ใบหน้าผู้อ่อนวัยกว่าอย่ายิงโยโซเป็นมาแลนป่ปองผู้ใหญ่ให้อะไรต้องรับไว้ก่อนคุณรู้ไหมวิชาคชาศาสที่ฉันจะให้นี่นหะ มันจะมีประโยชน์สำหรับคุณในภายภาคหน้าคุณจะได้ เ, เรียนรู้วิธีต่อช้างป่าการกำราบช้างตกมันการดูแลช้างคนมีวาสนาบารมีเท่านั้นถึงจะได้ เ, เรียนวิชานี้ได้ท่านจารณัยถึงความสำคัญของวิชาคดศศิษฐ์ หลวงพ่อครับช้างป่ามันอยู่ป่าทำธรรมชาติของมันมันตกน้ำมันก็ไม่ใช่เรื่องของผมทำไมผมจะต้องไปเรียนไปรู้มันด้วยล่ะครับพิกษุหนุ่มไม่รู้สึกอยากได้วิชาที่หลวงพ่อเดิมบอกว่าใครๆก็มาขอเรียนท่านก็ไม่สอนให้แล้วคุณคิดบ้างไหมว่าทำไมฉัน ทึ่งไม่สอนให้คนอื่นทั้งที่พวกเขาอยากได้กันเลอกเกินนี่คุณฟังชั้นให้ดีนะที่ฉันจะมอบวิชานี้ให้คุณเพราะต้องการตอบแทนที่คุณปฏิบัติฉัน้นด้วยการนวดเว้นให้ทุกคืนไม่ว่างเว้นฉั้นซาบซึ้งในน้ำใจของคุณจึงอยากจะมอบของดีที่สุดให้มิฉะนั้นวิชาที่ว่านี้ก็จะต้องตายไปกับชั้น เพราะถ้าคุณไม่รับฉันก็ไม่ให้ใครทั้งนั้นและขอให้เชื่อไว้อย่างหนึ่งว่ามันมีประโยชน์สำหรับคุณในภายภาคหน้าลองตรองดูให้ดีคำพูดของภิกษุชาราทำให้พระเจริญนั่งนิ่งอาการนิ่งของท่านเท่ากับยอมรับโดยปริยายหลวงพ่อเดิมจึงพูดขึ้นว่าเอาละ คืนนี้คุณกลับไปพักผ่อนได้พรุ่งนี้ฉันจะเริ่มต้นสอนให้คิดว่าคงไม่ยากเพราะคุณสำเร็จชาญโดยกะสินมาแล้วโปรดจำไว้ว่าคุณจะได้วิชาคตจะศาสตร์จากฉันเป็นคนแรกและคนสุดท้ายภิกษุผู้มาจากต่างถิ่นกราบท่านสามครั้งแล้วจึงกราบกุฏิที่พัก ก่อนหลวงพ่อเดิมจะมรณะภาพสามวันพระเจริญก่อเรียนจบวิชาคดชศาสตร์วันที่ท่านเรียนจบภิกษุชราก็อาพาธทันทีเหมือนกับว่าที่ทรงสังขารไว้ก็เพื่อจะรอสอนวิชาสำคัญให้สิทธิผู้นี้อาการอาพาธของท่านสุดหนักลงอย่างรวดเร็วก่อนมรณภาพท่านได้พูดกับพระเจริญและลูกหลานที่มาคอยประนิบัติว่า น้ำในสระพอกินพอใช้กันหรือเปล่าล้านชายวัยหกสิบเศษตอบว่าไม่พอหรอกครับหลวงปู่มันแห้งขอถึงก้นสระแล้วในสองสามวันนี้หากฝนไม่ตกต้องอดน้ำกันแน่เอาละถ้าเช่นนั้นพวกเจ้าก็ช่วยกันแต่งตัวให้ข้าหน่อยแต่งให้ครบทั้งสบงจีวรแล้วก็สังคติ เนนว่าพระเจริญและลูกหลานที่เป็นผู้ชายจึงช่วยกันครองไตรจีวรให้ท่านจากนั้นพิสุชราจึงนอนหลับตามือสองข้างประนมไว้ที่ปากขมุบขมิบเพราะสวดภาวนาคถาเจริญอาโปกสินเพื่อเรียกฝนท่านบริกรรมอยู่ประมาณสิบนาทีเมฆฝนก็ก่อตัวขึ้นจนดำมืดไปหมด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 พระเจริญก้มลงกราบที่ปลายเท้าของภิกษุชราซบหน้านิ่งอยู่ตรงนั้นชั่วครู่เพื่อกลั้นน้ําตาท่านเป็นพระภิกษุหากว่าร้องไห้ก็จะอับอายคารวาะเพียงหกเดือนที่มาอยู่กับหลวงพ่อเดิมท่านได้ความรู้ได้ประสบการณ์อันมีค่าโดยเฉพาะวิชาคดศาสตร์ซึ่งท่านเป็นสิทธิ์คนเดียวที่ได้เรียน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 ความรู้สึกอยากลาสิขาประลาศนาการไปสิน้นท่านตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะดำรงอยู่ในสมณเพศต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่หลวงพ่อครับผมขอบวชจนตาย จะไม่ยอมศึกหาลาเพศเป็นอันขาดหลวงพ่อคือดวงประทีปสองทางชีวิตที่มืดมนอนตการของผมให้สว่างสวยบัดนี้ผมได้ตรหนักแล้วว่าพระคืออะไรมีหน้าที่อย่างไรทำอะไรได้บ้างและพระที่ดีนั้นควรทำอย่างไรหลวงพ่อเป็นตัวอย่างที่ดีเลิศของผมเคยสอนสั่งผมอยู่เสมอว่า พระต้องทำประโยชน์ให้ประชาชนคุณต้องเจริญตามรอยบาทสเสด็จพ่อของเราที่พระองค์ทรงส่งพระอระหันตส า, าวหกห0สิองค์จาริกไปประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกนั้นจุดมุ่งหมายคือเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนเป็นอันมากจำเอาไว้แล้วก็ทำให้ได้อย่างพระองค์ท่าน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 ทั้งทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนด้วยว่ากิติศัพท์ของลุงพ่อเดิมระบือไปทั่วทิศจึงมีลูกศิษย์ลูกหามากและเพราะเหตุนี้ที่ทำให้ผู้คนเฮโลกันเข้าแย่งอัฐิของท่านทั้งที่ไฟยังไม่ทันจะดับสนิทพวกที่เฮโลเข้าไปก่อนคือตำรวจเพราะอยากได้อัฐิของท่านไว้เป็นของครังศักดิ์สิทธิ์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 ผู้เป็นปูชนียบุคคลของท่านและมวลสิทธิ์งานพระราชทานเพลิงศพเสร็จลุล่วงลงด้วยความเรียบร้อยพระเจริญตั้งใจว่าท่านจะพำนักอยู่ที่วัดหนองโพเป็นคืนสุดท้ายรุ่งขึ้นจะเดินทางกลับวัดพรมบรุรีคืนนั้นท่านนอนคิดถึงหลวงพ่อเดิมนึกทบทวนตั้งแต่วันแรกที่ได้เข้ามาพำนักที่วัดหนองโพ ความรู้สึกตอนนั้นกับตอนนี้ห่างไกลกันลิบลับจุดมุ่งหมายของการมาที่นี่ก็คือเพื่อจะมาหาพระทำพิธีศึกให้ท่านรบเล้าหลวงพ่อเดิมอยู่หลายเดือนหากภิกษุชราก็หาวิธีทำให้ท่านพ้นจากความหลงความกระวนกระวายอยากลาสิกขา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 มาขึ้นรถไฟที่สถานีท่านคิดว่าจะไปหาซื้อโกรสวยๆมาใส่อัฐิหลวงพ่อเดิมแล้วเลยนึกถึงเรื่องราวของท่านเมื่อครั้งยังเป็นเด็กตอนนั้นท่านอายุราวแปดหรือเก้าขวบชอบเล่นโยนหลุมเป็นชีวิตจิตใจขโมยเงินยายไปเล่นทุกวันอยู่มาวันหนึ่งโยมยายไปถือศีลที่วัด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 ท่านถูกเขี่ยนสองโหลโยมยายบอกว่าบาทละโหลและยังถูกเทศนาให้ศีลให้พร อ, อีกเจ็ดวันช่างไม่คุ้มกันเลยกับการที่ได้เล่นโยนหลุมเพียงแค่อึดใจเดียว